มีนมาใหม่ๆนะมาใหม่ก็ต้องเริ่มพุทใหม่พวมาเกาฟัางตามทุกวันเลยมีคนใหม่ๆทุกวันศา ส, สนาพุทธสอนเรามีบทเรียนสบทสีสมาธิปัญญาเรียกว่าไตรสิกขาศีลสิกขาเรียนรยรเรืนน่องสีทำไงจิตใจเราจะเป็นปกติจิตไม่มีสีเนี่ยจิตผิดปกตินะจิตตไหนมีสีเนี่ยจิตผิปกติ ไม่ตก อ, อีเล็กครับนําบทเรียนที่สองเรื่องว่าจิตติสิกขาเรียเรื่องจิตของเราทํำไงจิตเราจะตั้งมัน่ทนทําไงจิตจะเป็นกุศลจะําแนกได้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลถ้าจําแนกไม่ได้เนี่ยเราจะไปสร้างจิตอกุศลที่มันน่าไปเจริญสัญญาเราจะต้องมีจิตที่เป็นกุศลกันเป็นจิตที่ตั้งมัน่นรู้สึกตัว ควรแก่การงานต้มีจิตยอย่างนี้ก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาบทเรียนที่สอนนี้เป็นเรื่องจิตสิกขาบางคนบอกไม่อยากเรียนเรื่องจิตจะเรียนแต่เรื่องกายพระพุทธเจ้าไมได้สอนอย่างนั้นสอนจิตสิกขาด้วยคุณบาลจันทร์ว่าป่าที่ว่ากายกายท่านก็เรื่องจิตสิกขานะท่นานทำสมาธิก็ไม่ใช่จริงจิตสิกขา หลักจากนั้นจิตเราตั้งมั่นแล้วก็มาเจริญพัญญาสิ่งขามาทำวิปัสนาทำสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีก็ต้องเลือกบางอารมณ์บางอย่างเป็นสมถะบางอย่างอย่างนี้เป็นวิปัสนาต้องต้องแยกแยกออกอะไรที่ไม่ใช่ของจริงสมมุติบัญญัติแล้วทำสมถะอะไรที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมาจริงๆเป็นกายเป็นใจจริงๆเราให้ทำวิปัสนาแยากกัน นี่ศีละสิขาต้องเป็นที่หนึ่งต้องเรียกกนสกอร์ท่นต้นที่สุดเลยต้องรักษาศีลห้าให้ได้ศีลห้าเป็นศีลภายนอกและภายนอกต้องรักษาให้ก่อนเงินกระทบกระทั่งคนอื่นรักษากายรักษาวาจาอย่าให้มันทําบาปันพุชจริตห้าอย่างสําหรับนักปฏิบัติศีลห้าไม่พอศีลห้าเป็นศีลข้างนอก นักปฏิบัติมีสิทั้างในเรียกว่าอินเซียสังวรศีสีที่เกิดจากสติเราไปมีสติไปรู้ทันใจเวลาตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจมันคิดนึกนุ่แต่พอจิตใจเราเกิดกุศลน่ากุศลอะไรกั็ไปรู้ทันนั้นเช่นเราเห็นใครเขาทำแบบเพชรสวยๆตกอยู่อยากได้ยังได้เนี่ยเราเห็นความอยากเกิดขึ้นในใจ เลยไม่ไปเอาของใคเขาสี่มันเกิดเองไม่ไปรักไม่ไปขโมยใครไม่เป็นชู้กับใครอย่งหนุ่มอย่างเบิร์ดอยานุ่มแมนนี่หนุ่มๆไปเห็นสารอยากหลอกเขาเห็นราคามันเกิดราคาซ่อมใจไม่ได้ก็ไม่ไปหลอกตาวสิชนิดนี้เกิดขึ้นเองเพาเรามีสติหรือพันใจของเราอันนี้เป็นสิ่งของกปฏิบัติมีข้อเดียวไม่ได้มีห้าข้อ ที่ทำไงเรามีสติรูท้ทันใจกิเลสไม่ครอบงมสิอันนี้ก็เกิดขึ้นเองที่จิตใจเราเป็นปตักติเตอร์ไม่ถูกกิเลสลากออกไปนี่เรี น, ร น, เรนเรื่องสติต้องเรียนนะเรียนแล้วก็ฝึกเอาคอยสังเกตใจเวลาตามองเห็นหูได้ยนินเวลาใจเราคิดบาทีเราไม่มีใครทําอะไรเราคิดเอาเองก็ได้แล้วก็ปวดขึ้นมาคิดคิดแค้นแคน ค, คนอื่นเขาก็ไม่ได้ทําอะไรก็มี ในรู้ทันใจมีสตินี่แหละทําให้เกิดศีลมีสติรู้ทันใจก็เกิดยินเสียสังวรศีลถ้าจิตใจเราเป็นปัติจิตใจเราเป็นธรรมดาแล้วก็มาสังเกตอยู่ที่ใจเราเ อ, อางเราจะขึ้นบทเรียนที่สองแล้วเรื่องจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยถ้าพูดตามรูปแบบเลยพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําฌานศีลนั่นมันมีสองวิธีวิธีที่ห น, นึ่งเรียก ว, ว่าวิธีของธรรมถ่ายา น, นิ ของท่านผู้ส่งฌานทั้งหลายทําฌานขึ้นมาจนจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งดับความรู้สึกภายนอกทั้งหมดเลยเหลือแต่ความรู้สึกคนะือตัวนิมิตตัวนิมิตไม่ใช่นิมิตเห็นนู่นเห็นนี่นะหมายถึงอารมณ์ของกรรมฐานเราอารมณ์กรรมฐานที่มาปรากฏที่ใจเรารู้อยู่ที่อารมณ์ทางใจอันเดียวนี้แหละเป็นจิตที่ท่านึงฌาน อย่าอย่างที่พวกเราเคนใหญนั่นเพิ่มน้องเลยงงี้ไม่ใช่ชานนะราะฉนั้นมันประเภทชาแนบ้านชาแนลจะเลื้อยลูกเดียวนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้อรู้สึกตั ว, ตวไม่เผลอไม่หลงลืมจิตใจตั้งมั่นจิตใจเป็นหนึ่งแล้วรมเป็นหนึินจิตถอนออกมาจากสมาธินะจะเห็นเลยว่าจิตที่เดินตั้งมั่นนันไม่ตั้งมั่นนะเลยมีปีติไม่มีนะมีสุขไม่มีนะอันนี้เป็นตัวปัญญาสิงหา ทำฌานขึ้มาก่อนจิตตั้งมั่นพอปล่อยออกจากสมาธิปุ๊บรีบรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยนะี่ขึ้นบทเรือนทุ่สามปัญญาสิกขาไปเลยนี่คนที่ทำฌานไม่ได้ทำยเลยคนส่วนใหญ่ทำฌานไม่ได้นะพวกเราูเราไม่เห็นที่ใครทําเลยลมีแต่ทําเคลิ้มเคริ้มนังแงะแงแงเห็นน่นเห็นนี่นี่ไม่ใช่ฌานนะติดคุ้งตัานนั่งเห็นมีต้มแก้วอะไรเนะี่ไม่ถึงฌานหรอก ทีถ้าเราทำฌานไม่ได้ก็มีทางเลือกอันหนึ่งเป็นทางของพวกที่เรียกว่าวิปัสนาญาณิกสมาธิญานิกวิปัสนาญาณิกไม่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงจิตสิกขาไม่อยู่ตรงปัญญาสิกขานณะปัญญาสิกขามีอันเดียวไม่ว่าไปจะเดินแนวไหนปัญญาสิกขาคือวิปัสสนานั้นมีอันเดียวหลักอันเดียวกันหมดส่ววิธีทำจิตให้ตั้งมัน่นมีสองอันอันนึงทำฌานอีกอันหนึ่ ง, ง, งเราใช้สตินี่แหละ เมื่อกี้เราใช้สติรู้ทันจิตจุดเกิดศีลมาแล้วตอนนี้เราใช้สตินนะคอยรู้ทันใจขอ ง, งเราใจเราวิ่งหนีไปใจเราหนีไปทางตารู้ทันใจเราหนีไปทางหูรู้ทันใจเราหนีไปนในโลกของความคิ ด, คคดก็คอยรู้ทันรู้จักไม่หลงทางตาให้รู้จักบ้างนะหลงทางตานี่คืออยากไป็นว่าเราเป็นคนเดินมาเราไปดูเขาเนี่ยเราเห็นเขานะแต่เราลืมตัวเราเอง น, นะ บางทีเราเห็นศัตรูเราเดินมาเหมือนเราเกลียดเกลียดจับใจอะไรเราก็ไปคอยดูความเราไม่เห็นมาความเกลียดเนี่ยกิเลสได้พลังเกิดขึ้นในใจของเราเรียกว่าเราหลงไปต่างๆหลงไปแล้วดื้อกายดื้อใจนี้หรือได้ยินเสียงข้างบ้านเขาคุยกันเราก็องฝึกที่มาโสดหู้ที่ไปแอบฟังเงี่ยหูใหญ่เคยแอบฟังแครเขาคุยกันไหมไมยไม่เคยได้แปลกนะ เกิดมากเขาก็คุยกันนาดนั้นสนใจคุยอะไรกันนนึ่งนั่งทํางานในโต๊ะ ข, ข้างมันคุย อ, อะไรคุยกันแล้วก็หันมามองเราอยนะู่คาจริงมันหันมันเมื่อยมันหันไปอย่างนั้นอยู่เราก็สงสัยว่ามันคุย อ, อะไรตั้งใจฟังเขาพูดนะกัด น, น, นลืมตัวเองนะเวลาตั้งใจปังกนอื่นเขลืมตัวเองนี่จิตหลงไปจิตไม่ตั้งมั่นนะให้เรารู้ทัน ใจเราหลงไปทางตาแล้วก็รู้ความรู้สั่นเ่อใจเราหลงไปใจมันตั้งขึ้นเองความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเองเวลารู้ว่าหลงไปทางหูความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นเองนี่อยู่เฉยๆล่ะอยเฉยๆชับหลงทางใจหูทางใจดูยากที่สุดเลยนะเพราะในโลกนี้มีแต่คนหลงทางใจไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกนะใครบอกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่มีจริงหรอกในโลกนี้การรู้สึกตัวแทบไม่ได้มีแต่คนนั่งฝันทั้งวันเลย ไปอยู่ในโลกของความคิดเลยไม่เคยอยู่ในโลกของความจริงนึกหน่อยเนี่ยใจนี้คิดเรื่อยเรือ้ไหมนะอย่างนั้นฟังอัตมาหน่อยหนึ่งแล้วก็คิดยาวๆรู้สึกไหมฟังไปคิดไปคิดเยอะกว่าฟังอีกเนี่ยใจเราชอบหนีไปทางใจเนี่หนีทางใจรู้ไหมเนี่หนีทางใจนีนนจนอย่างนี้ต้องเรียนแม่ต้องเรียน เดือนจนกระทั่งเรารู้เลยว่าอ๋อจิตมันหนีไปทางตาเปน็นอย่างนี้จิตหนีทางหูเปน็นอย่างนี้จิตหนี้ไปทางใจเป็นอย่างนี้อย่างคุณลัชนีตอนเนี้ยหนี้ไปทางใจนะใจลอยนะใจลอยคิดอะไรยังไม่รู้เลยนะไปง้หนึ่งแใจลอยสืบขีดเนี้ยนะคิดอะไรก็ไม่รู้นะแใจลอยที่หลอกกันไปหน่อยนะรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจเลยในโลกมีแต่ตลกหน้าที่ของเรามีสติ รู้ทันจิตที่มันส่งไปทางตาจิตที่ส่งไปทางหูจิตที่ส่งเข้าไปทางใจเัารู้ทันไหมหลวงปู่ดูลยสอนกรรมฐานเริ่ม จ, กจากจิตนี้ท่านบอกว่าอยาส่งจีออกนอกอยาส่งตีออกนอกหมายถึงว่าถ้าจิตมันไหลไปริบเรื่อยบางคนได้ยินว่ายาส่งออนอกก็เลยส่งเข้าข้างหนส่งข้างไหนท่านก็ไม่ได้สอนนะหลวงปู่เทศหรือแยกป้องกันพวกตีความ่านบอกไม่ส่งนอกไม่สกไหน ป้องกันไว้สองข้างเอีกตัวหนึ่งเลยพยายามส่งไหก้กลางๆนะครูบาอาจารย์สอนอะไรนะัมันตะแบงได้ทุ่นชี้ทำงไงมันจะกลางอนะีอ่ยอย่างนั้นอีกแล้วหลงสอนหนังสือไม่ว่าจะตอนอยังไงกนะ็หาทางเดี่ยวเดินได้หลวงปู่โดยอกอย่าส่งนอกรือไม่หลงไปต่างตาหูมจมูกเล่นใจใจอย่างเนี้ยเราตั้งขึ้นมาแนละ้วตั้งไหมเราก็ะคองใจของเราจนแข็ง ๆ, ๆขึ้นมาเมื่อหลงอยู่ทางใจนะ หลวงันธใจทํางานได้เยอะหลวงพันธ์ตาทำงานอย่เดียวติไปดูหลงางพันหูทํางานอย่างเดียวไปฟังแนะละหลวงพันธใจทําได้เยอะไปคิดก็ได้เลเศเลิศก็ได้เที่ยวหาก็ได้ว่าจะดูอะไรดีควานควานอยู่ข้นนั่งเก้งก็ได้กําหนดก็ได้หรือความรู้สึกเอาไว้ให้มันนิ่งๆก็ได้ทําได้เยอะมนะากหันใจในขณะนี้คิดใช่ไหมผุนเสื้อแดงนะไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้ว แต่ถ้าไม ione, ่ค so, so, oh, oh, ิดฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นฟังไปคิดไปนั่นถูกแล้วแต่แต่เดิมนี่เราก็ฟังไปคิดไปแต่เราไม่เคยรู้พาเราฟังไปคิดไปนี่เราคยรู้ทันโอ้ฟังแล้วโอ้ไปคิดแล้วโวหลงไปดูแล้วใจเรานี่ยชอบวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งทั้งหมดทั้งไหนก็มีรู้ทันไปพรู้ทันก็มันจะตั้งมันขึ้นมาจะรู้สึกตัวเมื่เราตื่นขึ้นมานบางคนบางครูบาอาจารย์บอกให้เราเป็นผู้ดูผู้ตื่น ตื่นขึ้นมาพวกเราย่งงงว่าเราก็ตื่นแล้วทำไมสั่งให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเราไม่ตื่นจริงเราตื่นแต่ตัวใจเรานั่งปั่นทั้งวันปั่นอีกแล้วรู้ไหมหนีแวบไปตะกีใจเรานีไปย่งนทั้งวันมันไมอครู้สึกตัวหรอ้นเรามีหน้าที่เรียนบทเรียนที่2เรียกว่าจิตสิกขาเรียนใจกรทังเกิดความรู้สึกตัวเมื่อเราเกิดความรู้สึกตัวจิตใจอยู่กัเน้อกับตัว เราก็สามารถรู้กายรู้ใจได้เราก็จะเริ่มบทเรียนที่สาบทเรียนที่สามก็คือการจเจริญปัญญาหรือปัญญาสิกาก็คือการที่เราคอยรู้ตายรู้ใจของเราไว้จนเห็นความจริงของตายกับใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงเป็นตุ๊กเป็นอ น, นัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าเราใจลอยหรือกว่าใจเราไม่ตั้งมั่นไม่มีบทเรียนที่สองใจไม่ตั้งมั่น จิตใจไม่อยู่กับเนื้อตัวเขรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้แค่นี้เองใช่ไหมคุณพันโโปใจหนีไปแล้ว mm hmm. อาจจะหนูออกหรือยังตัวนี้สำคัญนะต้องเรียนตัวนี้ให้ได้ก่อน mm hmm. เรียนจนกระทั่งจิตรู้สึกตัวขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมานะโลกงพเปลี่ยนอีสอนบอกให้รู้สึกตัวไว้แต่เธอผู้รู้สึกตัวนะติช่ทาทันต้องเขียน มีแต่สอนให้รู้สึกตัวพระป่าบอกว่าถ้ามีผู้รู้ไว้ไม่ใช่มีแต่ผู้คิดผู้เลิศผู้รู้ผู้แต่งผู้หลงสำนวนต่างๆกันนะแต่ว่าเนื้อหาเดียวกันให้รู้สึกตัวในคุณเสื้อแดงไม่รู้สึกตัวแล้วนะอย่างนั้นนะดูออกไหมผู้หลงเข้าไปผู้นั้เข้าไปหาแล้วไม่จะดูอะไรดีนี่เรหลงนะมากัดทายทีนี้เล S <S อ๋อากลวลาเส้นนี้คนนี้เรียนเร็ว น, นะตั้งแต่ว่าไม่เคยไปเข้าฟอสที่ไหนารั้งันทีแต่่านอัเ่งนไปนานก็รู้กแย่ลงอนวันก็จะนอนแล้วก็ขนฟอโอ้นะยังดีได้หนึ่งช้างวันไนไ่้นุกเจ็ดางถึงมดแนะ แล้วมันพองเองคือทันทีที่รู้สึกตัวนึงใจมันพองเองมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บดตรบากเห็นไหมจิตของเราอ่ะแต่เดิมมันพองใสมันประพัฒสอนแต่มันเศร้าหมองเพรากิเลสมันะจะทำยังไงที่จะให้ความเพียรมันอยู่ที่ฉันทะนะความเพียรฉันทะหมายถึงเราพอใจเรารับใครที่จะไปเรียนรู้จิตใจของเราเนี่ยเราจะขยันดูเราต้องมีฉันทะนั่นแล้วถึงจะเกิดความเพียรวิริยะ ยังธรรมาไปหาหลวงปู่ดูลงขุนเสื้อแดงหลวงอีกแล้วธรรมมาไปหาหลวงปู่ดูลท่านสอนบอกว่าให้ดูจิตตัวเองไม่ได้สอนอะไรเยอะเลยสอนประโยคเดียวแหละกลับมามานั่นดูจิตเองไปต่อท่านนะั้นบอกว่าอยากเรียนกรรมถานะอยากปฏิบัติผมอยากปฏิบัติแทนที่ท่านจะบอกว่าการปฏิบัติมีขั้นตอนต่อไปนี้หนึ่งสองสามสีไม่พูดสักดูจิตเองที่ท่านสั่งให้ดูนี่ ถ้าดูลูกเดียวเลยนะนี้ดูจิตเดี๋ยวบางวันของใจบางวันเศ้ามองเดี๋ยวเกิดออรุ้ส่วนเดี๋ยเกิดรับรูนรู้สึกมันม น, น่าดูจริงเราเคยแต่เรียนเรื่องคนอื่นวิชาความรู้สาขาอื่นเรียนไปเยอะเราไม่เคยเรียนเรื่องตัวเราเองรู้สึกน่าตนใจความรู้สึกว่าจิตของเราเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะรู้นะรู้ทั้งวันเลยนะนี้มันอยากรู้ว่านสนใจที่จะไปตามอ่านแต่ถ้าถูกบังคับ อย่างเด็กๆบางทีมาวัดไม่ถามนั่นพ่อแม่บังคับมาหรืเปล่าบังคับมาไม่ต้องเรียนหรอกมันไม่ทำหรอกถ้าใจใจรักจะทำเนี่ยขยันดูคือมีฉันทะพอใจที่จะรู้พอใจที่จะศึกษาถ้าเกิดวิริยะพอมีวิริยะเกิดจิตตาก็มันสนใจจิตใจคอยจดจ่ออยูม่มีวิมางสาไปใไข้เคลื่อนตามยื่นตามดูตามพิจารณานวันนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้นี้ทำไมเป็นอย่างนี้ ไปตามรู้ไปเรื่อยในสุดมันก็ประสบความสำเร็จยิ่งที่บาทสึใจลายแล้วรึไหมหนีแวบบง่วงไหมอย่าไปทำใจให้ซึมนะถ้าร่างายไม่ง่วงโอนแสดงว่าไปทำใจให้ซึม น, นีพอเรารู้สึกตัวได้แล้ ว, ลวมันก็มาเจริญปัญญาศึกษาบทเรียนพิสานปัญญาศึกษาเนี่ยไม่ใช่คิดเรื่องกายกับใจ แต่เป็นการตามรู้ว่าจริงจริงกายกับใจเป็นอย่างไรเป็นตัวเราจริงหรือไม่จริงเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงตามตัวเองเช่นเราจะรู้กายจะทํากายยาหรืัศสนาก็ได้การตามรู้กายนั้นก็คือง่ายๆเลยที่พระพุทธเจ้าสอนที่สื่อทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัว ประโยคแรกที่สองพตัวทั <c <c ้งหลายให้เมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดการของเธออยู่ในอาการอย่างไรหรือว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นให้คอยรู้สึกตัวไว้ถ้าใจลอยก็รู้มืกายรู้ใจนะรู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้ตั้งแต่ถนัดถ้าเรารู้กายเราเอากายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสติรู้ใจเอาความรู้สึกทางใจกระตุ้นให้เกิดสติ ทำแล้วไม่ว่าจะรู้กายหรือรู้ใจก็เกิดอันเดียวกันคือเกิดสติสติปัฏฐานก็ทําไปเพื่อให้สติเกิดบ่อยๆสติเกิดบ่อยๆนะรู้กายรู้ใจบ่อยๆก็เห็นความจริงของกายของใจแต่ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรฉะนั้นวิปัสสนาต้องเห็นของจริงนะจะไปนั่งนึกอะไรอย่างไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างเบิร์สเห็นเบิร์สเห็นสาวเวยเดินมาตามองเห็นสาวจิตมันเกิดราคะอยู่ นับปฏิบัติไม่ชอบราคะเป็นนึกว่าสาวตะโกเป็นปฏิกิรนะิยาอะไรนี่ไม่ใช่วิปัสนาเพราะอะไรภาษาเป็นอดีตไปแล้วเป็นอารมณ์ที่เรานึกขึ้นเองไม่ใช่ของจริงพราของจริงรู้อยู่ที่ใจเรานี้จิตมีราคะเราก็รู้ว่ามีราคะขึ้นมาแล้วดูสิราคะเที่ยงหรือไม่เที่ยงหรือราคะเป็นของผ่านมาแล้วผ่านไปจริงไหมหรือใจเราเกิดไม่ชอบราคะโภสาเกิดแล้ว เกียรติราคาตัวศาสตรตัวนี้เป็นอารมณ์ปัจจุบันราคาเป็นอดีตก็ให้รู้ว่าตอนนี้ไม่ชอบราคาอยากให้ราคาหนไปลง<ม>อารมณ์ปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันเรารู้ทันใจปล่อยตุ๊บทั้งหมดสุบปล่อยแมเนเจอไปแล้วนะแมนนะตุลัาชนอย่าไปทํามันขึ้นมานะอย่าไปจงใจปฏิบัติรู้ไหมการจงใจปฏิบัติเนี่ยทำให้เกิดความทุ่ม เรื่องหลังความจริงใจที่จะสังรวมขึ้นมาเนี่ยนัคือปัญหานั่นเองอยากปฏิบัติพอเราอยากปุก๊บเราก็เริ่มทําใจให้สึกไว้ก่อนเสร็จเสร็จแล้วนั่งจ้องว่าเมื่อไร่จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ถูกสักอันเลยนะเริ่มตั้งแต่ว่าอยากปฏิบัติไม่รู้ว่าอยากปฏิบัติที่พลาดตัวที่หนึ่พออยากปฏิบัติลง ม, มือปฏิบัติก็ลงมือนั่งจ้องไว้ก่อนการจ้องไว้ก่อนไม่ถูกพรนะพุทธเจ้าสอน คำว่าอนุปัสนาอนุปัสนาว่ตามรู้กายานุปัสนาคือตามรู้กายเวทนานุปัสนาตามรู้เวทนาจิตตาอนุปัสนาตามรู้จิตเพราะฉนั้ยางใจเราเผลอแแวะไปเผลอแล้วเรารวกเผลอนี่เรียกว่าปฏิบัติกลัวถ้าเรากวบวเผลอเราคอยจ้องาไว้นี่เรียกว่าปฏิบัติขิดเพราะฉะาั้นทให้ถูกง่ายปฏิบัติเร่องปฏิบัติเร่งสบายหรือปฏิบัติแล้วเสียอนั้น ใจเครียดแสดงว่าทำผิดแล้วรอฟังลัวทราบไหมอะเบื่อเองผู้ฟัี่ว่าตามาู้จุดที่ผมมีทัสินในใจอยู่ว่เวลาผมเกิดผมโกรธจริงจรงเืออะไรภาคา ทีนี้ต่อไปเห็นความโกรธเนะี่ยแต่เราห้ามมันไม่ให้ภาคไม่ได้จิตมันเคยภาคนะเพราะงั้อย่าไปเกลียด ม, มันมันภาคความโกรดแนละ้วมันก็พูดแล้วแวา่านี้โกรธแต่และาคอรู้ทันใจเองเลยนะว่าเราไม่ชอบความโกรธไหมอยากให้มันหายไปหรือเปล่าหรือว่าใจของเราเป็นกลางจริงถ้ารู้ลงมาที่ใจที่เป็นกลางความโกรดอยู่ไม่ได้เลยถ้าเมื่อไหร่สติเกิดขึ้นเองเนี่ยความโกรธจะตั้งอยู่ไม่ได้ ยกตัวอย่งว่าพลังโกรธอยู่เนี่ยเกิดเฉลียวใจว่าโกรธนี่ยพารู้ทันว่าโกรเนี้นะความโกรธจะหลุดหายไปเลยนะแต่อีแบบหนึ่งความโกรธจะไม่หายไปพอโกรธปั่นโกรธพอรู้ว่าโกรธนี่นะเกลียดมันไปจ้าว่าเมื่อไหร่มันจะหายก็เป็นจ้องมันไว้ไม่หายไปเลยยิ่งเกลียดมันเท่าไหร่ก็ยิ่งเกลียดมานเพราะความที่ไม่ชอบมันน่ะโทรศัต่ท์ ไม่เป็นไรเราห้าไม่ได้นะบัญญัติเนี่ยไม่เอามาทำํำนิพพสนาก็จริงแต่บัญญัติเป็นอนัตตาหมายถึงว่าเราบังคับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันทํางานของมันเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเราเราอย่าไปหลงช่วยมันบัญญัติแล้วกันนะแต่ว่าพอเห็นความโกรธเอ๊ะนี่ความโกรธอย่าไปต่อด้วยสังขารแทนความโกรธไม่ดีหาทางละมือเสียอัเนี้เราปรุงแต่ง เราะฉะมันจะภาคเพราช่างมันเหมือนภาคทุกคนมีใครไม่ภาคว่าใครปฏิบัติจนถึงขั้นเลิกภาคว่มามเห็นอะไรเกิดขึ้นมาสักว่าเห็นเฉยๆ ไ, ไม่ไม่ไม่คิดต่อเลยนะนิ่การที่จะไปรู้อารมณ์เนี่ยนะเรามีหน้าที่อย่างนี้หมายถึงว่ารับคอยฝึกสังเกตความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆแต่ละวันเนี่ยคอยสังเกตความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลย เดี๋ยวลากเดี๋ยวหลงเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวเนอย่างนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกข์คหัสังเกตพอจิตใจเราคุ้นเคยจิตใจเราจําสภาวธรรมตัวไหนได้แล้วเนี่ยถ้าสภาวะนั้นเกิดขึ้นนะสติจะเกิดเองถ้าสติเกิดเองเนี่ยอภูษณจะกระเด็นไปเลยอภูษณเกิดร่วมกับสติไม่ได้ถ้าวันอย่าไปนั่งรอดูเอสติมาตั้งจ่อไว้ก่อนอันนี้ผิดเลย หรือเห็นความเกิดแล้วเกลียดมันนั่งจ้องมันว่าเมื่อไหร่มันจะหายเจิตเป็นอภูษณนะจิตเกลียดมันเพราะฉะนั้นมันไม่หายหรอกจิตไม่ได้มีสตินี่เรามันมีสภาวะสองอย่างต้องคอยสังเกียดเวลาเราไปรู้อารมณ์เนี่ยอันหนึ่งมันสักว่ารู้อันหนึ่งแบบถล่มลงไปรู้แต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนกันนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะถล่มลงไปรู้เวลาจะดูอะไรก็ใจก็ไหลลงไปตรงนั้นเลย ถ้ไม่เคยฝึกจิตสิกขาจิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ไม่ไห ล, เละเมันพอดูอะไรก็ไหลลงไปคล้ายๆการดูคล้ายๆเราดูอยู่บนปิดปากรองนะถ้าเห็นอารมณ์ผ่านมาเช่เห็นดอกไม้เห็นกระโรงก็ลอยกระโปรงสวยๆผ่านมาเห็นหมาเน่าลอยบิดตัวนะทั้งกระโรงทั้งหมเาเน่าเนี่ยลอยมาแล้วจะลอยไปเราเป็นคนดูเฉยๆนะถ้าอย่างนี้ใช้ได้เราไม่ต้องไปรอดูว่าเมื่อไหร่หมาจะมา อย่าไม่ต้องคิดล่วงหน้านะตัวอะไรจะมางั้นเราดูไปมีอะไรก็รู้อะไปสบายๆอย่าไปนั่งเข้านะเวลาเราไปยืนเล่นลิมคลองเราไปจ้องคลองอย่างนี้ไหมนะไม่มีใครบ้าทํางั้นเนาะบ้านะทําทงั้นเหนื่อยตายเลยแล้วก็นั่งเล่นๆชมแหมสบายใจชมนกชมไม้เห็นอะไรลอยมาแล้วก็ค่อยดูมันแตถึงแม้กีเรตมาแล้วค่อยรู้มั น, ม น, ม อ, ยมนอย่าไปจ้องไว้ก่อน นี่บางคนไม่เงนินแค่ที่จะดูบนบกนะเห็นอะไรลอยเห็นกะโถนลอยมาแล้วก็ถลามำลงไปดูตกลงไปอยู่ในน้ำํำคราวนี้ยลอยไปด้วยกันบางคนสงสตยเอ๊ะทาไมผมมีสตริรู้ว่ามีตัวตาแล้วตัวตาไม่หายตัวตาตั้งอยู่ด้วยกันถ้าใจามันถลามลงน้ำไปแล้วมันลอยไปพร้อมกับหมาเ น, น่าเดี๋วนั้นอนะ่ะก็อยู่กับหมาตลอดเลยตอนนี้นั่นละวางน เวลาต้องฝึกจิตศึกษาต้องเรีย น, นเรียนให้รู้ทันว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นไงจิตที่ไหลไปทางตาหูจะูกลิ้นกายใจเป็นไงหรือพราไหลทางใจเนี่ยต้องเรียนให้รู้เรื่องถ้าเราไม่รู้ว่าจิตเราไหลาทางใจในเวลาเราทํากรรมฐานสมมก็เห็นโผก่แมาถล้ำไปดูหล่นลงลงไปหลงลงไปอยู่ข้างในแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกนก็จะเห็นเลยมันมาแล้วไปทันทีเลย สติกายีเล็กเกิดร้อกกันไม่ได้เลยแก้เป็นไงแก้เกิดปัญญาเรื่วันนี้นอะอยากได้ปัญญานี่ดีนะเพราะศาสนาพูดเรื่องของปัญญาเลยไม่ใช่เรื่องสมาธิรู้สึกติดแต่เกินรู้ไหมเกินรู้ว่าเกินคนมองเราเยอะแต่เรารู้แต่ไปเราไม่กลัวใครเยอย ที่านายถ้ากล้ามันนั่งตรงนี้ก็ได้เมื่อก่อนมีหนุ่มคนหนึ่งนะมาจะต้องมานั่งตรงนี้เลยไม่เหมือนก็เือดหรือไม่กล้าพับคนมาเยอะๆมันนั่งตั้งอยู่นั่งนาแล้วก็ปวดทองไม่กล้าลุกไปงานร <laughs> ใจลอยแล้วตามไหมเหลือไปตะกี้เนี่ย เลืมตัเองลืมตัอมอเอาคนเสื้อแดงเอยอีกล่ะพอจะเข้าใจไหมเห็นไมมว่าจริงจริงเราไม่คิดมากไม่ยากนะคิดมากยากนานจริงๆงง่ายอยจะตายไปใจเราไหลไปเราคิดผ่านแล้วมันลงไปแล้วนะเนี่ยตอนนี้มันหีุดคิดแล้วไม่เละไม่ห้ามมืนเลยมเราว่าห้ามไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวใจวเราต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลงไปเดี๋ยวรู้สึกตัวเดี๋ยวหลงไป ช่างมันไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้ฝึกเพื่อจะรู้ตัวตวลอดเวลาไม่ได้ฝึกเพื่อเอาอะไรสิกอย่างแต่ฝึกเพื่อจะได้เห็นความจริงเท่านั้นะว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดีๆๆ๋ยวก็หลงบังคับไม่ได้ฝึกให้เห็นความจริงตัวนี้เรียกว่าเห็นธรรมะไม่ได้ฝึกให้เที่ยงนะเบิร์ตเบิร์เอาอะไรใหญ่โตแล้วคุก ไ, ไม่พอ อยู่ในโลกควุกเยอะแล้วพอมาปฏิบัติแล้วอย่างบังคับตัวเองมันทุกหนักขึ้ล่อมันเลยป่อยเออปล่อยักเนี่ยเเขาไปจับอีกแล้วเอยียเจตนาปล่อยจงใจเกิดความอยากแบบปล่อยหรือว่าอยากแบบปล่อยหรู้ทันความอยากมุนไปเลยอ้เป็นยัอ้ามันหลบอยู่มุมนี้ได้ได้ ไม่มีเสี่งแต่ว่ามันมีที่จุดแรทั้งมันรู้มันหายก็คือนี่ก็วามรู้สึกเตัวได้เกิดได้สั้นมากเลยนะเพราะมันเป็นใช้คนิกะสมาธิจิตมันตั้งอยู่ไดช่วคราวแล้แวบเดียวเดี๋ยวก็ไหลไปแต่เรากลับไปคิดว่าตอนนี้ยังรู้อยู่รู้สึกว่าเรารู้ได้ยาวๆรู้สึกนั้นไหมพอรู้สึกว่าเรารู้ยาวๆทุกคั้งต้เริ่มมัวมั้ตรงที่รู้อนารู้เรื่องว่ารู้ยาวๆนี่ลงไปตั้งแต่แรกแะ โมหะมาตั้งแต่ครั้งแรกนะพอโมหะมันอยู่นานๆก็ชักเข้มข้นขึ้ น, นชักโมัวโม่ตึมไปเลยใช่สิเพราะว่ามันหมดพลังนะโมหะมันมาก็ยังดีนะยังมีสักพักหนึ่งที่รู้ขึ้นมาได้เอ่อ ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆต้องรู้ให้ไวกว่นี้รู้เท่าที่รู้ได้แต่ว่ารู้ให้ทันนตอนนี้โมหัดมาแล้วนะถ้าเมื่อไรยังรู้สึกว่าเรารู้ตัวต่อเนื่องถ้ารู้สึกว่าเรารู้ตัวต่อเนื่องเราลุ้ไปเลยนะหลงอ่ะมันรู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าความรู้สึกตัวเกิดขีดละนัดเดียวละนัดเดียวละนัดเดียวสั้นนิดเดียวแต่เราเรารู้สึกบ่อยๆมันถี่ยิบขึ้นมาพอจิตใจคุ้นเคยที่จะรู้สึกตัวแล้วต่อไปสติปัญญามันมารู้ทัน ร้อยจิตท mm. Ma ี่รู้สึกตัวจิตจริงๆนี่ไม่ใช่ตัวเราไม่มีอันตาตัวตนสักนิดเดียวเป็นเราก็ืไปหลงคิดเข้ามคุไปเห็นตัวนี้เออ ทีนี้การที่เห็นว่าเสียงเสกิดดับหรือวัดหรือวัดแล้วก็เห็ น, นถูกแล้วแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้สึกว่าเสียงลกเป็นตัวเราแน่นอนเป้าหมายแรกที่จะต้องปฏิบัติลจะต้องทําลายตักระยที่ผิดเป้าหมายที่หนึ่งเลยหลักลกิโลตัวแรกเลยต้องไปให้ถึงที่ทำลายความความเห็นผิดทั้งกายกับใจหรือทันท่าเป็นเราเสียงเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราไปดูการเกิดดับก็ไม่มีอะไรขึ้นมา ก็ได้แค่รู้คอาจริงว่ามันเกิดดับแต่เราที่เที่ยงเราฟังมันมาตั้งนานแล้วเราก็ยังเที่ยงอยู่ย่งเก่าอย่างนี้ดูตรงนี้จิตที่ไปจับเสียงนอกเส้นนันเกิดดับอย่างนี้ใช้ได้เอ่อถ้าอย่างนี้ใช้ได้อย่างจิตมันไหลไปฟังแล้วก็รู้ว่าจิตมันไหลไปฟังนะจิตที่หลงไปฟังเนี่ยเป็นอกุศลจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปฟังเป็นอกุศลเดี๋ยวไหลอีกเอ่อถ้าเห็นอย่างนี้ได้ ต้องมารูที่กายที่ใจของเรานะอย่าไปรู้ที่รู้เสียงกลิ่นล้วฝนทับทัพในของข้างนอกมันไม่ใช่เราอยู่แล้วเราไม่ได้ไปเรียนเอาความรู้อะไรกับกของข้างนอกเราจะเรียนเอาข้างในกาย ก, ายกับใจเนี่ยจนเห็นว่าไม่ใช่เราถ้าเมื่อไหร่ปฏิบัติแล้วพาดเคลื่อนจากเป้าหมายที่จะดูกายกับใจว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทําผิดแล้วนั่นจัดหลักให้แม่นแม่น จุดเป้าหมายได้เลยก็ต้องลางกายสิทธิ์ไม่ได้ละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเคยตั้งคาถามบ่อยๆถ้ามาอย่างหนูนาจะได้บินเรื่อยหลวงพ่อจะถามบอกว่าฐานคุณนเชื่อแดงถีงแบบสมมติว่าออกจากสารานี้ได้กลิ่นดอกไม้หอมเนี่ยรู้ว่า